คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz มรายการชีวิตวัฒนธรรมโดยอาจารย์พนโนธรรมเนียมอิน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 เจสองสะดุดีด้วยดวงมารพระผู้ผ่านพระไทยไทยยิ่งยืนยงพระบารมีศีสวัสดิ์ขจัดทุกขบำรุงสุขถวยราชดังประสงค์ที่ใดได้เดือดร้อนทรงผ่อนลงด้วยพระองค์ทรงรักและห่วงใย ขอพระไตรรัตนาเทวาประสิทธิ์เทพทุกทิศถวายพระพรสุนทรสมัยขอจงทรงพระเจริญด้วยพรชัยปกกล้าวไทยจำเนียนการนานเนาเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดรายการชีวิต วัฒนธรรมสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กระบพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธรทมเนีมอินอีกเช่นเคยนะคะวันเสาร์นี้เป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะพรุ่งนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเดนเชื่อว่าหลายๆคนนะคะได้มีโอกาสไปร่วมงานเกี่ยวกับ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ภาษาไทยแล้วก็คงได้มีโอกาสเป็นกําลังใจให้กับบุตรหลานที่ไปโรงเรียนแล้วได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันชนทอนผู้ต่อนเนื่องมาจนถึงวันภาษาไทยแห่งชาติใช่ไหมคะสิ่งที่เด็กๆลูกหลานของเราได้ทํามันจะเป็นความภูมิใจและเราก็อมยิ้มตามเขาไปด้วย พรุ่งนี้เป็นวันภาษาแท่แห่งชาติคนไทยตระหนักดีว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นพระมหา ก, กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเราจึงมีวันภาษาไทยแห่งชาติดังนั้นถ้าหากว่าเรานึกไม่ออกว่าอืมวันนี้จะทำอะไรดีนะ่าที่จะเกิดความภูมบิบกภูมิใจ วันนี้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันนะคะพรุ่งนี้ด้วยก็ได้ค่ะและท่ายิ่งตลอดตลอดไปยิ่งดีใหญ่เลยนะคะบางทีเนี่ยเดือนเองก็อาจจะเป็นคนที่ตำหนิตัวเองเหมือนกันเอ๊ะเราร้ายไปหรือเปล่าอุย๊ยคุณผู้ฟาังบอกเช้ามืดคุณพนอพูดอะไรเนี้ยเพิ่งจะตีสี ก, กว่ากว่าเองนะพูดคำอะไรก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเดือนไปกินข้าวตามร้านอาหาร เดินผ่านร้านกิ๊บเก๋ของวัยรุ่นวัยรุ่นกจจ็จะเจอภาษาไทยที่เขาตั้งใจเขียนตั้งใจออกแบบตั้งใจประดิษฐ์สร้างสารรค์ออกมากิ๊บเก๋มากเลยแหละคะ่ะแต่ว่ามันเขียนผิดนะคะพอเขียนผิดปุ๊บเรา <c oughs> ในฐานะคนไทยและยอมรับตรงตรงชัดๆว่ารักภาษาไทยห่วงแหนแล้วก็พยายามที่จะไม่ผิด ถ้ารู้จะรีบแก้และขออภัยก็จะพยายามสุภาพแล้วใช้คำที่รักษาน้ำใจเขามากที่สุดดูว่าจะบอกเขายังไงได้บ้างเช่นที่ทำมาแล้วแล้วหลายๆคนก็แซวมาตลอดว่าอืทุกที่ทำหน้าที่เป็นยามภาษาตลอดก็บางทีเนี่ยเพื่อนซื้อสับประรดกวนของอร่อยจาก เมืองประจวบคีรีขันมาให้เป็นเจ้าที่อร่อยหลายๆคนชอบกินนะคะแต่เขาเขียนสับ ป, ประรดเนี่ยเขียนสเสือไม่หันอากาศปอปลาแล้วก็สราอระอาร่อเรือดอเด็กเขาอ่านสับ ป, ประรดได้แต่ว่ามันไม่ถูกอะคะ่ะสับ ป, ประรดเขียนตรงตัวเป๊ะเลยสเสือไม่หันอากาศบอใบ ไ, ไม้ปอปลาสราอระอาร่อเรือดอเด็กไม่ต้องอธิบายนะคะว่าสราระโอรถรูป เดนก็อยากบอกเขาจังเลยอะเพราะว่าเป็นลูกค้าเขาประจำเนาะผ่านที่ไหนต้องซื้อมาฝากเพื่อนโทรศัพท์ทางไกลจากกรุงเทพอะค่ะไปหาเจ้าของร้านเขาที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็แจ้งให้เขาทราบว่าเนี่ยนะเป็นลูกค้านาะถ้าจะสั่งถุงลอถใหม่ช่วยแก้โดยในใบสับปะรดมันเขียนผิดกลัวเด็กๆจะจาไปเป็นแบบอย่างที่ผิดไปด้วย หนึ่งรายผ่านไปแถวบ้านค่ะก็จะมีโรงแรมมาเปิดใหม่มีตลาดมาเปิดใหม่มีผู้คนมาเยอะแยะมากมายก็มีร้านขนมแนวแนวญี่ปุ่นมาเปิดเขาจัดร้านน่ารักมากแล้วเดินกับสมาชิกในครอบครัวก็ไปซื้อขนมเขากินอร่อยค่ะเจ้าของอัธยาศัยดีดีแล้วก็มีของเล่นให้เด็กๆเวรรอ เล่นไปรอขนมไปด้วยเขาเขียนว่าเขาเขียนว่านะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับชื่อนะคะสระเอคอควายรอเรือฟอฟันอ่านได้ว่าเค้กใช่ไหมคะเป็นชื่อขนมตัวต่อมามอมา้าไม่หันอากาศยอยักษ์แล้วใส่วั น, นยุครูปตรีแล้วต่อไปคอควายสระอะ่ะอ่านได้ทั้งสามคำว่า เครปไม่คะอ่านได้แต่มันผิดตรงไหนคะคุณผู้ฟังที่รักคำว่าไม่จริงๆมันคือไหมไมมาลายหอมอไอไหมแต่เขาต้องการให้มันเป็นคำอ่านคำพูดที่เป็นกันเองดิฉันเข้าใจเจตนาของเขาเขาก็เลยเปลี่ยนรูปมาเป็นภาษาพูดทำได้แต่นิดเดียวที่ผิดคือ ต้องไม่ใช่รูปวรรณยุกตรีเพราะมอม้าเป็นอักษรต่ำใส่รูปวรรณยุกตรีไม่ได้ต้องใส่รูปวรรณยุกโทเดนก็กินขนมร้านเขาเสร็จก็เห็นเขาอัธยาศัยดีก็คุยกับเขาเอ้าเหรอครับนี่ผมเซิร์ชเน็ตนั่นนี่นู่นเลยแล้วนะบอกค่ะเซิร์ชในเน็ตบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าไปของราชบัณฑิตยสถาน เดิมหรือสำนัก ง, งานราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันก็จะเจอคำว่าไม้แบบนี้เต็มไปหมดนั่นแหละค่ะแต่ดิฉันยืนยันในฐานะเป็นครูภาษาไทยคำว่าไม้ถ้าจะเขียนแบบนี้ต้องมอมไม่เหันอากาศยอยักแล้วไม่โทรค่ะค่ะค่ะค่ะแล้วจะแก้อ่ะแต่ดิฉันผ่านมาอีกหลายเดือนเขาก็ยังไม่แก่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วบางทีเพื่อนก็จะว่าดิฉันเยอะ มันจะมีร้านขนมปังที่วัยรุ่นชอบกินแล้วก็มีวันหนึ่งมีคนซื้อมาฝากดิฉันเขาก็บอกว่านี่เธอขนมปังร้านดังเลยนะดิฉันเห็นขนมก็น่ากินเชียวแต่พอเห็นชื่อร้านเขาดิฉันบอกไม่กินละขอไม่กินเขาก็ตกใจว่าทำไมเธอจะไม่กินก็เขาตั้งชื่อร้านไม่สุภาพเลยอะดิฉันก็เลยไม่อยากกินคุณผู้ฟังอย่าโกรธดิฉันนะคะ เขามีทั้งเค้ยทั้งเฟยทํานองนั้นนะคะเรนก็เลยบอกว่าขอไม่กินขนมร้านนี้แต่ไม่ได้แปลว่าว่าคนอื่นนะคะเพราะเห็นอยากจะบอกตัวเองว่าอืถ้าไม่มีโอกาสจะบอกเขาเราก็อยู่ห่างกับเขาไปก่อนแล้วกันแต่ก็คงทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้เพียงแต่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยขออนุญาต <c oughs> ขออนุญาตนะคะว่าเรนทําแบบนี้แต่ทุกครั้งทุกเวลา เป็นไปด้วยความสุภาพและให้เกียรติเขาทุกที่พูดด้วยความเคารพติเพื่อก่อจริงๆไม่ได้เจตนาจะดูถูกดูแคลนเขาเดียวถือว่าถ้าดิฉันทราบแล้วไม่บอกให้คนที่เขาจะบังเอิญหรือเจตนาทำผิดโดยที่มันทำลายวัฒนธรรมของชาติอยากคิดว่าเล็กน้อยค่ะเพราะว่าถ้าคนสิบคนเห็น ร้อยคนเห็นพันคนเห็นและยาวนานไปกว่านั้นคนอีกเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็เห็นพอมันชินตาแบบนี้มันเกิดการไข้เข ว, ขวสับสนเวลาเขียนแล้วผ่ากันผิดไปได้จริงๆนะคะและดิฉันก็ไม่อยากจะให้เกิดการอนุโลมคําผิดที่มันผิดจริงๆโดยไม่จำเป็นอันนี้คือเข้าใจการภาษามีการเปลี่ยนแปลงภาษามีชีวิต วัฒนธรรมไทยของเราต้องถ่ายเทกับชุมชนชาติพันธุ์และประเทศอื่นๆทั่วโลกการถ่ายเทวัฒนธรรมข้ามชาติข้ามกลุ่มสังคมย่อมมีอะไรปนเปื้อนเข้ามาในวัฒนธรรมของเราแน่นอนแต่ว่าหลักภาษาการใช้ภาษาเราอย่าปล่อยให้มันปนเปื้อนง่ายดายเกินไปเพราะ เมื่อภาษาไม่มีแบบแผนแล้ววันข้างหน้าเราจะทำยังไงกันดีเดนทราบว่าหัวใจคนไทยทุกคนรรกเทอร์ทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้ามิเสื่อมคลายและทุกๆุกพระองค์ในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยก็ทรงรักและห่วงใยภาษาไทยทุกทุกพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างดังนั้น ง่ายที่สุดสําหรับการทําความดีถวายแด่พระองค์ท่านง่ายที่สุดสําหรับการทําความดีให้กับแผ่นดินเชิญชวนทุกท่านใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องดีงามแล้วก็ไม่เจตนาทําผิดไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนภาษาท่าทางภาษากายนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราได้ยินได้ฟังอะไรแล้วเราก็เอ๊ะไม่แน่ใจ เอาตรงนั้นเขาใช้อย่างนี้ตรงนี้เขาก็ใช้อย่างนี้อะไรกันแน่เราผิดตามคนที่ทำผิดได้เพราะเห็นบ่อยๆไงคะมันเกิดความเคยชินก็เลยทำให้สิ่งที่เคยถูกกลายเป็นผิดไปได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราปิดประตูซะไม่ใช้คำที่มันผิดเราก็จะไม่ผิดในโอกาสต่อไปบางทีเนี่ยเวลาใครมาถามภาษาไทยดิฉันดิฉันเองก็งงๆอือ สะดุดเหมือนกันนะคะสิ่งที่ทําได้เร็วที่สุดคือเปิดพจนานุกรมหลายคนอาจจะบอกคุณมโนเร็วขนาดนั้นเหรอที่โต๊ะทํางานมีค่ะ ท, ทุกเล่มเลยตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามที่บ้านฉันมีแล้วเล่มอื่นๆที่โตทํางานมีที่บ้านมีอีกสํำรับหนึ่งเลยสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราทําได้และเราก็ภูมิใจที่ได้ทํา ไม่ได้ยกย่องตัวเองนะคะแต่อยากจะฝากคนอื่นว่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่รักและห่วงใยภาษาไทยด้วยกันเราจะร่วมกันทำรงค่าภาษาไทยแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าเจตนาทำผิดเจตนาให้เท่เก๋ไก่และรู้ว่าผิดฉันก็จะทำเพราะมันเตะตาคนอื่นดีชื่อบังชื่อ จะเขียนคำว่าหนูแต่แทนที่จะเป็นห อ, อนอูหนูก็เขียนว่านอสะอูไม่จัตาวามันผิดอะคะ่ะบางคนชื่อรู้ว่าชื่อหมีแทนที่จะเขียนหอมอยอีหมีเขาก็เขียนมอมาสสารีไม่จัตาวา อันนี้ก็ผิดอีกโดยเจตนาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ในช่วงของวันภาษาไทยแห่งชาติปี2562ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันช่วงที่สองวันนี้คุณธเนศควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันนะคะเชิญฟังเพลงแรกจากคุณธเนศเลยค่ะ งามซึงสวยสมชมชื่นชวนฟันฟันย้อนยันครั้งคืนวันเรารักกันผ่งนิดมันวันเอ้ยวันมันสั่นคร้อนผาโนิด น้อยป่อยหนึง่งพรมหนึ่งป่อยคอยรัดรึงราวอาวอนเส้นมไม้ยอหย่อนฉันยางซ่อนหมอนกอน ันพิรุณจมกลิ่นรินสางสารสาวน้อยโรยเลื่อนลางมนรักนางย่งย า, างหงาร่างเอ่ยร่างจางจางไกลเผารักผมร่างยังอยู่ อยู่ยังร่างฉันดูชูอะไรโอ้ผมร่มลายฉันยังเปลือกหัวใจไกลใจสะอาด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 ที่เคารพค่ะทุกท่านกำลังฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันผนรรมเนียมอินดำเนินรายการนะคะพบกันทุกๆเช้ามืดของวันเสาร์ตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าทางเอ8เ5็มแปดสิบเก้าจุดห้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโ ล, โลโยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้วันนี้มีเรื่องที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็เชิญชวนให้คุณผู้ฟังมีโอกาสก็ เดินทางไปที่ต่างๆนะคะเพราะว่าอยู่สามวันหลายคนก็มองแล้วค่ะจะไปไหนดีกลับบ้านไปเที่ยวใกล้ๆหรือที่นั่นที่นี่ที่นู่น น, น, น, นะคะเด่นเห็นหนังสือพิมพ์ d a ล l y น e w s เขาลงข่าวเมื่อวันวันนี้สุกที่ยี่สิบหกกรกฎาคมบอกว่าเทศบาลปากเกรดเขาจัดงานเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่านะคะโดยผู้เขียนคือคุณประเสริฐ สังคทัตก็ขออนุญาตนำมาเล่าเชิญชวนเพราะว่าถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนไปเที่ยวปักเกร็ดก็ยังดีนะคะไปดูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวหมอนย่านนั้นกันในคอลัมน์นี้นะคะคุณประเสริฐได้เขียนไว้ว่าสมเด็จพระสีนครินทราบรมาราชชนนีหรือสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายหลายประการ เนื่องจากทรงเข้าพระไทยในความเดือดร้อนของสังคมและด้านราชาการของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการทรงรับผิดชอบตามราชประเพณีในกรณีที่ราชาการที่เก้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้ประทับอยู่ในประเทศ พระองค์ทรงดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และในส่วนพระองค์เองนั้นก็ยังทรงตั้งพระราชหฤทยัยบําเพ็ญ ง, งานพระราชกุศลสาธารณประโยชน์เพื่อบ้านเมืองและด้านการศึกษาของเยาวชนในชนบทอยู่ไม่ได้ขาดพระราชทานขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันบ้านเมืองทั้งยังทรงพระเมตตาจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นอีกหลายแห่ง เป็นเวลานานมาที่พระองค์ทรงคำนึงถึงดินแดนชายแดนอนณาเขตของประเทศไทยซึ่งมีตํารวจตระเวนชายแดนผู้ปฏิบัติหน้าที่และต้องสอนหนังสือเด็กๆช่วยเหลือราัษาดรที่กำลังป่วยไขย้และตํารวจตระเวนชายแดนเหล่านี้ก็ได้รับพระราชทานพระเมตตาสนับสนุนอยู่เป็ดหนึ่งนิดพระเมตตาของพระองค์ยังแผ่ไพศาลออกไปสู่ชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่ง เป็นเวลาหลายรุ่นที่ชาวเขาเหล่านี้ได้พเนจรจากแหล่งที่ไม่ทราบต้นสายโยกย้ายไปตามทิวเขาชายแดนเข้ามาในประเทศไทยจนกระทั่งได้ลงหลักปักฐานอยู่บนพื้นที่ราบสูงอันอุดมสมบูรณ์บนเขาตามแนวชายแดนของประเทศไทยเรากลายเป็นแนวเขาที่พวกชาวเขาได้อาศัยอยู่กินด้วยพระราชประทนานอันแรงกล้า ที่จะส่งอนุเคราะห์ชาวเขาเหล่านั้นทางด้านสวัสดิการด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาและด้านการสาธารณสุขอันเป็นโครงการที่ต้องใช้ความพยายามและใช้เวลายาวนานเพื่อช่วยให้เขาเหล่านั้นได้ปรับตัวเองให้เข้ากับวิถีครองชีพแผนใหม่ที่ดีกว่าเก่าประการที่สำคัญประการหนึ่งก็คือส่งก่อตั้งโรงเรียนชั้นประถมขึ้น ณหน่วยที่ตั้งของตำรวจตระเวนชายแดนมากกว่าสามร้อยแห่งตามตำบลธุรกันดานที่ห่างไกลและในวันที่สิบแปดกรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านทางเทศบาลปากเกรดจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสมฆ์ิกรชาวไทย เทศบาลปักเกรดจึงได้สร้างสวนสมเด็จพระศรีนาครินทร์นนทบุรีซึ่งอยู่บริเวณตำบลบ้านใหม่อำเภอปักเกรดจังหวัดนนทบุรีขึ้นและเมื่อวันที่18ก ร, รกฎาคมที่ผ่านมาเทศบาลปักเกรดจึงได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนาคารินทร์าบรมราชชนนีเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณ เป็นการรวมพลังของพระสงฆนิกรในการร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียตรติในวิชัยบรรทาศักดิ์นายกเทศมนตรีนครปักเกรดได้กล่าวว่าการจัดการเทริดพระเกียตรติครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายกล้าไม้จัดนิทรรศาการพระราชประวัติเพื่อเทอิดพระเกียตรติพระองค์ท่านจัดทำพระราชการณียกิจ ของสมเด็จย่าพร้อมกับจัดพิธีการการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนประกวดวาดภาพระบายสีของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลหัวข้อน้อมราลึกถึงสมเด็จย่าแล้วก็มีการทําอาหารเพื่อสุขภาพมีกีฬาเปตองแล้วก็มีการออกร้านจําหน่ายสินค้าโอท็ของชุมชนในเขตเทศบาลปากเกร็ดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เพิ่งผ่านมาได้ ไม่นานดิฉันเชื่อว่าถ้าหากคุณผู้ฟังไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะคะก็คงยังเห็นความงดงามแล้วก็คงจะได้ความรู้แล้วก็ร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่านกันด้วยมีโอกาสก็ขอเชิญไปเที่ยวปักเก็ด น, นะคะแล้วช่วงนี้พักฟังเพลงจากคุณทเนศอีกเพลงค่ะ ยัวใจพี่ได้เห็นครั้งหนึ่งพี่กีดถึงรำไปเมื่อมาพบตามวัพี่ตื่นใจยิ่งแล้วแกวตาน้องรักเอ่ยขอทิบเฉยชมหน้าขอฝากว่าเจ้าว yes. ่ารัก แก้วตาจวบชีวิตไวหากเจ้ารักรวมวงที่คงลงจนตายถ้ายอดริงให้ยิ่งกายแม่พี่ถึงตายมีเสียดายที่เพล โจมควันของพี่ยอดคนดีของเรียมเจ้าหน้าสวยใครไม่เทียมอกเอ๋ยอกเรียมมองหมุนตนเทียมหัวใจที่ได้เห็นครั้งหนึ่งที่คิดถึงรำไป เมื่อมาพบสามไวพีชื่นใจยิ่งแล้วแก้วตาน้องรักเออขอทิดเธอทมนาขอฝากว่าจะว่ารักแก้วตาจวบชีวิตไวหากจะรักรวมวง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 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th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 ในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพคุณผู้ฟังที่รบคะเป็นอย่างไรกันบ้างเช้านี้เจอเจอฝนไหมคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงเทพฝนตกทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะลงมาเป็นจักจักบ้างปลปอยโปๆยบ้างแล้วก็ ได้ยินได้ฟังว่าในบางที่ยังแรงอยู่แล้วเราก็บ่นกันว่ามาตกทาไมในกรุงเทพที่เขาอยากได้น้ำทำใกล้ทำนาะทำสวนทำไมไม่ไปตกจ้าแม่ใครจะทำอะไรได้นะคะจะผูกก้อนเมฆไปปล่อยกอ็อันนั้นเป็นมโนมากไปนิดนึงแต่เราก็อยากจะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล แล้วก็น้ำในเขื่อนก็พอดีพอดีมีไว้ใช้มีเอาไว้แบ่งปันกันได้อย่างสะดวกสบายเราได้ฟังข่าวเรื่องของออการทำเขื่อนของประเทศต่างๆในแม่น้ำโขงแล้วก็ส่งผลกระทบอะไรๆมาฟังแล้วก็แอบกังวลเหมือนกันนะคะว่าอู้แล้ววันข้างหน้าจะเป็นฉันใดแต่เราคงทำอะไรไม่ได้นอกจากจะดูแลพวกเรากันเองนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กัน ก็ใช้น้ํากันอย่างประหยัดนะคะเพราะว่ากรมชลประฐทานเองเขาก็วอรเลยแหละค่ะใช้คําว่าวอรเลยนะค ะ, ใ, ค ะ, คะให้ใช้น้ําอย่างประหยัดเพราะว่าตอนเนี้ยก็ต้องร่วมกันวางแผนปลูกพืชให้เหมาะกับพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ําอย่างเช่นเ อ, อบางระกามหรือบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยก็ ได้ส่งน้ําให้ปลูกพืชก่อนปัจจุบันนะคะใกล้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วส่วนในที่ดอนก็ให้เริ่มเพาะปลูกตั้งแต่ประกาศเข้าสือ่อฤดูฝนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากให้ผู้เราให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าทั้งการประปาเอวยกรมชนรัฐทานเอวยและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาเรียนเชื่อว่าเขามีแผนแผนที่เขาดูบรรยากาศดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ศึกษาตาม วิชาการนะคะเขาต้องรู้ว่าสถานการณ์ช่วงไหนเป็นอย่างไรถ้าเราให้ความร่วมมือนะคะมันก็จะทำให้วิกฤตนะ่ะผ่อนคลายลงไปได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงละคะพายุมันจะมาตอนไหนหนักๆๆๆนนจนเกิดน้ำท่วมได้อีกหรือช่วงไหนมันจะแร้งในขณะที่เป็นฤ ด, ดูฝนได้อีกดังนั้นการที่ทราบข่าวคราวทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือ ประกาศของกรุมชลรประทานการประปาอะไรเหล่าเนี้เราให้ความร่วมมือนะคะและอย่าถือว่าโอ๊ยค่าน้ำไม่กี่บาทท่า น, นใจเองก็แดบมันไม่ใช่แต่ว่ามันผูกพันไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆด้วยดังนั้นก็ประหยัดไว้ดีที่สุดเลยละค่ะทีนี้มีเรื่องหนึ่งแหมดิฉันก็ชอบนะคะเวลาเห็นพะสิ้นสวยๆทีไรก็อดนึกถึง ผ้าตีนจกแม่แจ่มที่เชียงใหม่ไม่ได้เคยไปทํางานที่เชียงใหม่ค่ะแล้วคุณครูก็พาชาวบ้านนําผ้าตีนจกแม่แจ่มมาขายสวยมากๆแล้วสีที่ดทฉันคิดเองไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือผ้าสีเหลือ ง, ลองแล้วก็ตีนจกของเขาเนี่ยจะมีเหลืองปนแดงปนขาวแล้วก็มีลายเหมือนนกอ่า อันนี้คือความชอบและดิฉันก็เชื่อว่าหลายๆคนคงชอบก็ไปเจอข้อมูลที่เขาเขียนถึงการเสริมความรู้การถอผ้าไหมตีนจกแม่แจ่มนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะคุณสิริพรบุญชูอธิบดีกรมหม่อนไหมได้กล่าวว่ากรมหม่อนไหมได้มีการถอดแบบผ้าไหมโบราณตีนจกแม่แจ่มลายหงปล่อย จากการทอขึ้นมาใหม่ตามแบบผ้าไหมโบราณตีนจกแม่แจ่มเพื่อเตรียมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดนิเทศการสาธิตการสาวเส้นไหมนิเรศการตรา น, นกยุงพระราชทานและการสาธิตการทอผ้าไหมตีนจกแม่แจ่มหลังจากนั้น กรมหมอนไหมก็ได้ดําเนินการเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมการนําเส้นไหมไปใช้ในการทอผ้าตีนจกแม่แจ่มซึ่งเดิมการทอผ้าตีนจกแม่แจ่มจะใช้ผ้าฝ้ายเป็นส่วนใหญ่และยังไม่นิยมใช้เส้นไหมในการทอหากเกษตรกรผู้ทอผ้าตีนจกแม่แจ่มได้มีการนําเส้นไหมมาใช้ในการทอก็จะทําให้เกษตรกรได้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาในการทอผ้าตีนจกแม่แจ่มเท่าเดิมกรมมอนไหมมีแนวทางเพื่อเป็นการนำร่องในการส่งเสริมการทอผ้าไหมตีนจกแม่แจ่มจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมในกลุ่มผู้ทอผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มสองหลักสูตรด้วยกันนะคะคือหลักสูตรการฟอกย้อมสีเส้นไหมและหลักสูตรการทอผ้าไหมตีนจกแม่แจ่ม เนื่องจากผู้ทอผ้าตีนจกแม่แจ่มบางรายยังไม่เคยใช้เส้นไหมในการทอผ้าตีนจกและยังไม่เคยฟอกย้อมสีเส้นไหมมาก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แก่เกษตรกรได้มีองค์ความรู้การที่จะนำเส้นไหมมาทอเป็นผ้าไหมตีนจกแม่แจ่มอธิบดีกรมหม่อนไผ่กล่าว ว่าการฝึกอบรมหลักสูตรการฟอกสีเส้นไหมภายใต้โครงการส่งเส ร, ริมการทอผ้าไหมในกลุ่มผู้ทอผ้าสิ้นตินจกแม่แจ่มได้อบรมให้แก่เษกษตรกรบ้านสังกดีอำเภอแม่แจ่มโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ทอผ้าสิ้นตินจกที่สนใจจะนำเส้นไหมไปทอผ้าโดยได้สอนการลอกกาวใหมการย้อมสีเส้นไหมจากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้เส้นไหม ย, ย้อมสีหลักที่ใช้ในการทอผ้าสิ้นตีนจกแม่แจม่มคือสีแดงย้อมจากครั่งสีน้ําเงินย้อมจากครามสีเหลืองจากประโหรและแก่นเข๋โดยหลังจากการผ่านการอบปรมแล้วนะคะเกษตรกรก็สามารถจะทอผ้าไหมตีนจกแม่แจม่มแล้วก็ขอการรับรองติด ดวงตานกยูงพระราชทานสีน้ําเงินเรียบร้อยโดยกรมหม่อนไหมก็จะได้มีการสํารวจความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการสมัครเข้ากลุ่มทอผ้าไหมตีนจกแม่แจ่มเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะจัดทําโครงการธนาคารเส้นไหมเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนวัตถุดิบในการทอผ้าไหมของกลุ่มเช่นเส้นไหมแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะใน กระแสการนำตินจกแม่แจ่มมาเป็นเครื่องแต่งกายในละครชื่อดังที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ก็ส่งผลให้ผ้าสิ้นตินจกแม่แจ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมผ้าโบราณในการสั่งจองผ้าสิ้นตินจกแม่แจ่มเป็นจำนวนมากนะคะผู้สนใจก็สามารถชมแล้วก็เลือกซื้อผ้าไหมตินจกแม่แจ่มได้ในงานนกยุงพระราชทาน สืบตำนานไหมไทยครั้งที่สิบสี่ประจำปีสองพันห้า้อยหกสิบสองที่จะจัดระหว่างวันที่สามสิบกรกฎาคมถึงสี่สิงหาคมสองพั 62, นหะ้าร้อยหกสิบสองณฮอหกถึงเจ็ดอิมแพกเมืองทองธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่กรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหก ร, รณ์เบอร์โทรศัพท์นะคะหนึ่งสองเจ็ด ห้าหนึ่งสองเจ็ดห้านะคะหรือจะเข้าไปคลิกดูในเว็บไซต์ของกลมหมอนใหม่ก็ได้ค่ะนี่คือเรื่องราวที่อยากจะเชิญคนไทยไปช่วยกันให้กำลังใจนะคะผู้ที่รักษาสมบัติชาติในการทอผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มดิฉันเองก็ใส่อยู่ค่ะสีเหลืองสีพื้นบ้านของเขาเลยแต่ดิฉันก็ชอบผ้าฝ้ายมากกว่าเพราะว่ามันรักษาง่ายกว่าซัก รีดได้สะดวกนะคะแล้วก็พกพาไปไหนเนี่ยก็เดินทางได้ง่ายกว่าผ้าไหมแต่เวลาออกงานเนี่ยโอใครใส่ผ้าไหมนี่เราชอบมองสวยนะคะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจผู้ที่รักษาสมบัติชาติแล้วเด็กๆ ก, ก็ได้รับการสืบทอดสมบัติเหล่านี้กันเป็นรุ่นๆ น, นะคะเดินได้มีโอกาสไปตามชุมชนต่างๆของต่างจังหวัดเนี่ยภูมิใจที่ คุณครูผู้นำชุมชนเขาพยายามดึงเด็กๆให้มาเรียนรู้สิ่งที่เป็นสมบัติของชาติเหล่านี้ไว้เพราะถ้าเขาทำได้ดีอนาคตของเขาเนี่ยก็สามารถจะมีอาชีพที่ไม่ต้องไปจากบ้านหรือทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ก็ได้ดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะ มองเห็นภาพความงามในบ้านเมืองของไทยเราเนี่ยได้ทุกแง่ทุกมุมเด็กๆวัยรุ่นอาจจะสนุกสนานไปกับโลกสมัยใหม่อาจจะอินเทรนด์ไปบ้างอย่าไปตำหนิเขาเลยนะคะแต่ทำยังไงเราจะให้เขามีมุมมองอีกมุมหนึง่งที่รักสมบัติชาติเราด้วยรู้เขารู้เราและที่สาคัญไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทย ภูมิใจอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องช่วยกันลงมือกระทาให้เห็นเชิงประจักษ์ด้วยคนลเล็กคนน้อยคนละไม้คนละมือนะคะเพราะบางทีเนี่ยเดยวฉันเคยไปแถวแถวลำพูนเดินเห็นความชื่นใจคือวันศุกร์เนี่ยเด็กๆ เ, เขาจะแต่งกายด้วยผ้า ม, ม่อฮ่อมเด็กผู้หญิงก็นุ่งสิ้นใสเสื้อม่อฮ่อมเด็กผู้ชายก็นุ่งเกงใสเสื้อม่อฮ่อมเดินไปโรงเรียนกันเป็นแถวๆน่ารักมากนะคะ เราเคยชื่นชมแม่ยิงลาวว่าเขานุ่งสิ้นไปโรงเรียนมัธยมสีหนึ่งมัธยมปลายอะไรของเขามีสีของเขาแล้วเด็กคนไทยเราก็มีตั้งหลายภูมิภาคนะคะที่เขาวันศุกร์แต่งกายแบบผ้าไทยแล้วในหลายๆสถานที่นะคะเขาก็มีการสนับสนุนเชิญชวนให้ใช้ผ้าไทยกันมาโดยตลอดนะคะเน้นเองก็ชอบ แล้วเวลาเห็นใครแต่งผ้าไทยเนะี่ยโอ้จะรู้สึกดีเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราช่วยกันได้นี่คือสมบัติของชาติด้านวัฒนธรรมซึ่งมีหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งการดนตรีภาษากิริยาท่าทางคุณสมบัติแบบไทยๆของเราอะไรก็ได้ค่ะที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเราร่วมกันทำรงไว้นะคะเพื่อชีวิต วัฒนธรรมของเราค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเสียงไก่ขันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนกร้องจิบจิบจิบกันมาแล้วท่านใดที่แตระกูลตามขับรถกันมาทั้งคืนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ส่วนใครที่เพิ่งตื่นนอนก็ขอให้เช้านี้เป็นเช้าที่มีความสุขสดชื่นอีกวันหนึ่งนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ดิฉันพนอดทรรมเนียมอินรายการชีวิตวัฒนธรรมทุกๆวันเสาร์ตีสี่ถึงตีห้าทางเอ8เอมปสบ้าจุดห้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้วันนี้คุณะเนศควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆให้เราได้รับฟังกันดอกเตอร์กุลกนิททองเงาควบคุมรายการเราสามคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า สวัสดีค่ะ สิ่แทขาดอ น, นาโอกเกยไม่เคยนึกเลยใจคนเหมือนโดนคมมีดกรีดขมมนปวดชนเลือดทนทานใจยอดชีวิต มัง่งทำลายมีไปมีม่เจื่อใหญ่ไม่หลื อ, เ, อเลยเย้เป็นเช่นนี้ไปได้อายแสนอายไม่กลา้าเปิดเผยเมื่อไปกับชูคู่เชยเลยทำเลยถ้าหาแค่นั้นแต่มีลูกน้อ ได้ค น, นไม่น่าจะด่วนพันให้วันคลอดแล้วค่อยไปโทลูกจาเจ้ามีพ่อไหมรู้หรือไม่ว่าใจพ่อโธกา ใ, ให้แก้วตาเกิดมาสุขเกษมเพรมปรียียามีทุกขุขามคีวิสินทรัพย์มากมียถวีลผลเนื่องนองทำดีให้คิดเมตตามี คืนตอบสนองห้ามเลวอย่าคิดไปต้องคนจะมองดูถูกเจียจันพ่อมีบุญน้อยไม่ทันได้ดูได้ผพพันใครวันขีบนี้วางวายพอจึงสอนไว้ตอนไกล Thieng away, stay i น pen s i ย g i n g มา ล่วนมีแต่เศร้าสกเอิรายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชันสถานสุขภาพความงามบวดสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการพกแพทย์แผนไทยราชมงคลทั ญ, ญบรุรีให้บริการสร่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีตเมนต์ทุกส่วนของร่างกาย